แต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นขั้นๆไปไม่รีบร้อนแต่ไม่หยุดนิ่งเบอร์ตอนอ้นจะลาความชั่วให้หมดมันลาไม่ไหวเวลาห้าข้อแค่สีนห้านั่นแหละพวกเราถือสีนได้ดีหรื อ, อยัง mm hmm. ใครยังไม่ดียกมือซีขอชมหน่อยโอ้โหเยอะขนาดนี้ข้อไหนข้อไหนข้อหนึ่งไปฆ่าใครข้อสามข้อส mm ี hmm. ่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 ไม่ทำชั่วหรือการไม่โกงใครไม่ลักทรัพย์ใครไม่หลอกลวงช่อชนเอาสมบัติเขาอะไรละความชั่วอันนี้ไปแล้วต่อไปเราทาความดีให้มากขึ้นแทนที่ว่าจะคิดเอาของเขานะถ้าเรามีส่วนเกินเราก็ให้คนอื่นให้กับสิ่งอื่นได้สัตว์อื่นหรือบางคนก็ให้กับสังคมอย่างเราทำบางทีเราก็ไปทำให้กับสังคมอีกที่นี่จัดแสดงธรรมนี่ก็เป็นการให้กับสังคม ในการทำทานกับสังคมหรือถ้าเรามีศีลข้อสามเราไม่ประพฤติปิดในกามอะไรเนี้ยเราจะได้ธรรมะที่ดีง่ายธรรมะข้อนั้นคือเรื่องของความสนโดดไม่บ้ากามพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วถ้าเรามีศีลข้อสนีะ่ธรรมะที่มันจะตามมาง่ายคือสัจจะนะเป็นคนมีสัจจะถ้ามีสัจจะเครดิตเราจะดีขึ้นนะเราพูดอะไรคนเขาก็เชื่อแล้วล่ะถ้าเราไม่มีสัจจ พูดไรก็ไม่มีเครดิตถ้าเรามีศีลข้อห้า 5, เราจะได้สติสัมปชัญญะง่ายเนี่ยศีลการทำมันเป็นของคู่กันนะศีลละงดเว้นไม่ทำชั่วทำนะทาให้เจริญกุศลเจริญขึ้นมาเบื้องต้นเราอย่างละห้าข้อก็พอแล้วละแล้วก็มาค่อยๆมาข้อสุดท้ายที่เราจะต้องทำคือการพัฒนาใจให้สะอาดหมดจด เนี่ยกรอบการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเย็นนักหนาพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับลําดับไปาการจะพัฒนาใจเข้าสู่ความสะอาด ห, หมดจดนั้นเรามีงานสองงานงานพัฒนาใจเนี่ยงานที่หนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานงานที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่ยมาพัฒนาใจซึ่งมันฟุ้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความสงบฝึกให้มันมีความสุขมีความสงบขึ้นมา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 เราก็อยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆ บ, บางคนชอบเลี้ยงปลานะไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาในแม่น้ํานะไม่ใช่ปลาตู้นะเลี้ยงปลาตู้เป็นบาปนะ <c oughs> เลี้ยงปลาในแม่น้ําลําคลองอะไรเงี้ยให้ทานอาหารสัตว์เราให้มันกิน <c oughs> ใช่เรามีความสุขอ่ใจเราเบิกบานมีความสุขปลามันได้กินมันก็มีความสุข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 สเดือนนะครอบสมเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกระดีกระด้ารีบไปกินเหล้านะไอ้อย่างนั้นเหลวไหลเลยนะไม่ได้เรื่องเลยแทนที่เราจะรีบกระดีกระดาไปกินเหล้านะเรามาเรลึกถึงเราจะไม่กินต่อเรามานึกถึงว่าเนี่ยสมเดือนเนี่ยเราอดเหล้าไดนะ้ใจมันอิ่มเบิบนะเวลาเรารักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนึกถึงแล้วใจจะมีความสุขถ้า ใ, ใจจะมีความสุขแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลย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 เนี่ยถ้าเรารู้จักนะเราเรารึกถึงอะไรแล้วเรามีความสุขสมาธิมันจะเกิดง่ายเรื่องรึกถึงที่ดีๆนะถ้าเรารึกถึงสิ่งเร็วๆไม่ไม่สงบสุขหรอกอย่างเราเรารึกถึงพระเจ้าอยู่หัวเราลึกถึงสมเด็จพระเทพอะไรเนี่ยท่านทําอะไรก็ดูน่ารักน่าดูไปหมดอย่างพระเทพอ่ะนะท่านไปเดินช้อปปิ้งก็น่ารักใช่ไหมอย่างเราเดินช้อปปิง้งไม่ใครสนใจหรอกนะแต่อย่างท่านใช่ไหมท่านว่างๆท่านก็ไปเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยคนเห็นคนก็ปลื้มใจ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 เราไปลูกก็ไปที่อื่นหมดเลยไปทำมาหากินบางคนแยกกว่านั้นอีกลูกตายนี่แยกกว่านั้นอีกบางคนก็ลูกทิ้งไปไปอยู่กับเมียไปอยู่กับสา ม, มีทิ้งไปเลยแล้วก็อยู่กันสองตายหญ่อยู่ไปอยู่ไปก็เหลือคนเดียวคนหนึ่งตายะเนี่ยสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางทีฝรั่งน้ะก็ไปอยู่กับหมากระแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยไปวันวันคุยกับแมวแมวรู้ภาษาคนดีเลยเพราะฟังทั้งวันะะ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 เราภาเคยเจอในะผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชอบทํางานสังคมสงเคราะห์ประเภทคุณหญิงคุณนายนึกภาพออกใช่ไหมพวกคุณหญิงคุณนายะนะต้องกรีดกลายนะต้องใส่แหวนนะอย่างถ้าพวกเราหัดเจริญสตินะขยับมืออะไรนี้ถ้าเป็นพวกนี้แล้วขยับอย่างนี้นะถ้าท่านี้ยังไม่เป็นอะไรถ้าท่าตรงนี้นะนะนะ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 ได้พูดอะไรบ้างได้ระบายบ้างไม่ใช่เธอพูดคนเดียวแล้วก็แ๊บๆผูกเขานะสามีนงเงียบเลยสมเป็นช้างเท้าน่ า, นาที่ภรรยาเป็นงวงช้างน ะ, ะสามีงเงียบจ้อยเลยน ะ, ะนี่แกได้ยินเพื่อนแนะนำให้สามีพูดซะบ้างมีอะไรเขาอาจอั้นนะให้เขาพูดเขาระบายแกบอกเอาแกก็เรียกสามีมาคุณมีอะไรพูดไป สามีก็เริ่มแล้่าผมรอวันนี้มานานแล้วรอวันที่จะพูดความอัดอัน้นปันใจของผมแกหันกลับมาแว้บเลยอ๋อไอ้แกเดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้แล้วเหรอลืมไปแนะ้วสามีทนไม่ไหวนะทุกทายหนีไปหาลูกหนีไปมาหาหลวงพ่อนะมาคุยกับหลวงพ่อว่าจะทํายังไงดีบอกจะแก้ยังไงสามีกับลูกบอกไม่ต้องไปแก้เขาหรอกแก้ที่ตัวเองก่อนนอะดูใจที่มีโทสะ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 วันนี้มันอยู่ที่ไหนวะทําไมมันไม่เห่าแน่พอมันไม่เห่าก็ไม่นอนอีกนะไปชะ ง, ง, ง่ว่ามันหายไปไหนเออเพราะสนใจมันเสังเกตเถอะเรารักอะไรนะเราก็สนใจอันนั้นเราเกลียดอะไรเราก็สนใจอันนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราอุเบกขาเราเฉยๆกับอะไรเราไม่รู้เลยอย่างสามีพญายาแต่งงานนานๆนะอุเบกขาแทบทุกไลน์เลยภรรยาอุตสาห์ทำผมสวยกลับมานะสามีไม่รู้เลย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 นะดีที่สุดเลยนะมีคำอยู่คำนะ้นคว่าตะบะตบะเนะ่ยในพจรานุกรมบางทีแปลซิมเพลไลฟ์เพราะารมมนะอย่าทำตัวใ ห, ให้เกินธรรมดาแล้วบอกว่าเป็นตบะนะไอ้นั่นทรมานตัวเองเอาละเทศพอสมควรกราบนำะนะมสัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะตื่นเต้นค่ะส่งการบ้าเป็นครั้งแรก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 เราจะได้เห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปค่แล้วหลวงพ่อจะมีการบ้านอะไรเพิ่มแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่ถือศีลห้าก็ยากแล้วเดินเทือกได้ไปทําเอาได้ชีวิตจะดีขึ้นนะค่ะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราลงมือทําแล้วเนี่ยเพราะว่าชีวิตเราดีขึ้นต่อไปกลับในวัสนการหลวงพ่อค่ะก็เออ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 ใจมันจะพัฒนาขึ้นไปถ้าเราทําผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดเนะี่ยไม่พัฒนานะกี่ปีก็ไม่พัฒนาอย่างบางคนปฏิบัติเนะี่ยไปรักษาจิตไปนิ่งๆอุ้ยทำแทบเป็นแทบตายศีลก็ถืออะไรก็ทํานะเดินจงกลมหามลุ่มหามค่ํามันไม่เจริญอนะนะเหนื่อยเปล่าๆ เ, เพราะมันเป็นตกไปข้างอาตัตตากิมัฏฐานุโยคแล้วคือบังคับตัวเองบังคับใจให้เครียดนะเต็นอตัตัากริมัฏฐานุโยคไม่เจริญนั้นเราใช้จิตใจที่ธรรมดาอย่างเวลาหลวงพ่อสอนนะ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 สบายใจแล้วเราเห็นในร่างกายกำลังยิ้มมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่ยิ้มไม่ใช่ตัวเราหรอกนะง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกอยู่ที่ใจมันถูกเท่านั้นแหละถ้าใจมันผิดนผิดหมดแล้วไงอ่ะก็เลยขาดการก็คือรู้ว่าตัวเองแบบแรกแซงแล้วอะค่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าไม่เดินจงกรมไม่ทำแรเลยอย่างนี้ไม่ใช่รู้ว่าแรกแซงแล้วก็ไปเดินจงกรมแต่เดินแล้วไม่แรกแซง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 เห็นร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรือเห็นว่าเดินเดินอยู่จิตหนีไปคิดได้เองจิตไม่ใช่เราจิตหนีไปได้เองอย่างนี้เดินปัญญาอยู่นะถ้าทำอย่างนี้ได้มันเจริญนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้ว่าจงใจแล้วเลยเลิกปฏิบัตินะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเลิกหมดนะไม่มีใครเดินไปทำอีกไป <c oughs> ก็ขอขบขอคุณหลวงพ่อ <c oughs> นะที่ฝึกมาใช้ได้นะที่ฝึกมาใช้ได้ขันมันเริ่มแยกแล้วละ่ะดูออกไหม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 ย้ายไปอยู่ที่อื่นหลบหรือเราเจอคนนี้นะสติจะแตกแล้วกำลังใกล้จะตบเต็มทีแล้วนะแล้วเดินหลบไปก่อนน ะ, ะมันก็ต้องทำสงครามมันก็ตรู้จักตอนไหนจะบุกตอนไหนจะถอยนะตอนไหนจะตั้งรับก็ต้องรู้จักแหละแต่ถ้าเรามีกำลังพอเราก็ไม่ถอยเราก็ตั้งดูโทรศัพท์ของเราคุยกับเขาไปแล้วโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็รู้อะไรอย่างเนี้าน ก, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ มันเป็นกลางมากขึ้นค่ะหลวงพ่อปวนานดีขึ้นเยอะเลยแล้วมันก็เห็นสภาวะเขาทํางานไปอะค่ะแล้วมันก็คลายความยึดถืออืในตัวเองแต่ตอนเนี้มันตื่นเต้นดูออกไหมรูออกค่ะตื่นเต้นเราเลยล็อกตัวรู้เอาไว้รู้สึกไหมเออตัวรู้มเลยนิ่งกว่าความเป็นจริงใช่ค่ะแต่ว่าตอนอยู่ในชีวิตประจําวันสังเกตอย่างหนึ่งจิตถึงฐานไหมถึงบ้างไม่ถึงบ้างเออให้รู้ทันนะถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ดีอะ ถ้าจิตไม่ถึงฐานเราก็รู้ทันไปเดี๋ยวมันกลับเข้ามาถ้ามันไม่ยอมเข้ามาออกนอกไปจริงๆนะเราจงใจกลับมารู้สึกร่างกายไว้เลยเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาที่จิตได้นะของคุณผปัญหาเหลือแต่ว่าจิตบางทีไม่ถึงฐานนานไปหน่อยมันมีอยู่ช่วงมันจะแบบมันจะลอยๆออกไปมันจะมัวๆค่ะหลวงพ่อนั่นแหะย้อนกลับมาที่ร่างกายเลยค่ะนะอไปในภาพรวมใช้ได้นะ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 ระหว่างที่โกรธน่ไม่รู้หรอกอแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าโกรธเห็นความโกรธนะเพิ่งดับไปหางไหวๆอยู่นะอย่างนั้นเลถูกกำลังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธเนี่ยไม่มีเพราะขณะที่โกรธไม่มีสติเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจนะถ้าดูกิเลสไม่ใช่ดูลงปัจจุบันขณะนะแต่เป็นปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันโนะกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธรบแล้วรู้ว่ารบ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 ปัจจุบันผมเข้าใจว่าผมเห็นธาตุขันเนี่ยมันทำงานได้ถูกพอคุณภาวนาถูกนะเข้าใจว่ายังปฏิบัติไม่พอใช่เหลือนันเดียวก็สะสมไปเรื่อยๆถึงเวลาพอเนี่ยอริยมรรคจะเกิดเองสังเกตไหมว่าจิตเนี่ยมันลดความดิ้นรนลงจิตมันเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นแล้วเริ่มเป็นอุเบกขามากขึ้นนะแต่มันยังไม่อุเบกขาเต็มที่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 ให้หลวงพ่อถามหลองพ่อถามกรรมฐานหลวงปู่แล้วถามตอบถามตอบกันนะท่านราชเริงสหลังออกมาจากท่านแล้วเนี่ยตอนเย็ น, นยมาเจอพระอุ ป, ปถักค์นอกกุฏิท่านก็บอกว่าหนวกพ่อก็บอกกับเพร ะ, รปประอุปถักค์ว่าโอหลวงพ่อเรียนกรรมฐานกับปุบาทอาจารย์ อ, องค์ไหนนะ่ะไม่ซาใจเหมือนเรียนกับหลวงปู่เทสหลวงปู่เทศเนี่ยชํานาญเรื่องสมาธิมาก คุยอะไรกันได้ว do ิริศมาลามักเลยนะบอกว่าเดียนกัองค์ไหนนะไม่ไม่ไม่มีองค์ไหนเนี่ยตอบคําถามได้ถึงใจอย่างนี้เทวดาท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยพอคุณออกมาแล้วหลวงปู่เขาบอกไม่มีใครถามได้ถึงใจอย่างนี้ไม่มีถ้าหากมีลูกศิษย์อย่างนี้หลายๆคนนะหลวงปู่จะอายุเกินร้อยปีเลยถึงอย่างนี้แต่เพิ่นมีน้อยเลยได้เก้าสิบกว่า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 หลับน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะ เ, เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะที่นี่ดีมากเลยนะมีแต่คนส่งการบ้านครั้งแรกชอบชอบอะ่ะบางคนน่ะส่งซ้ำซร้งนะงภาวนา น, น้อยส่งเยอะอันนี้ว่ามา อ, อ, อยากอยากสอบถามว่าที่ทำอยู่สังเกตไหมว่าขันมันเริ่มแยกรู้สึกไมมกายกับใจมันโค่นรู้สึกไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็โค่น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 เอวาเมวาอิตโตทินังเปตานางอุปกปพติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวาสมิจฉตุสัเพภูเรนตูสังกปาจันโทพันรโสยถามณิโชติรโสยธาสัพพีิโยวิวัชฉันตุสัพรโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโน